พระโสนะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระโสนะรับคำของท่านพระมาหากัจนะแล้วลุกจากอาสนะไหว้ท่านพระมาหากัจนะทำประทักษิณเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเดินทางไปโดยลําดับจนถึงกรุงสาวัตถีถึงพระเชตวัน อารามของอนาถบินดิกะเศรษฐีแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจงจัดเสนาสนะต้อนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้ ท่านพระอานุลทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระประสงค์จะประทับอยู่ในวิหารหลังเดียวกับภิกษุรูปที่พระองค์มีพระบัญชาใช้เราว่าอานนุ์เธอจงจัดเสนาสนะต้อนรับภิกษุอคันตุกะรูปนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระประสงค์จะประทับอยู่ในวิหารแห่งเดียวกับท่านพระโสณะ จึงจัดเสนาสนะต้อนรับท่านพระโสนในพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาค